มาลีนิกล้าหารดีแท้จูงมือผมเดินเรื่อยๆจนถึงห้องห้องหนึ่งเธอผลักเข้าไปเพราะว่าประตูไม่ได้ใส่กุญแจปิดไว้แสงไฟในห้องแผดแสงออกมาเธอรีบผลักผมเข้าไปโดยเร็วและเมื่อเข้าไปแล้วทั้งคู่เธอก็รีบปิดและลั่นกรอนผมนิขนลุกเกรียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาอยู่กับผู้หญิงตัวต่อตัวในห้องที่ลั่นกรอนสนิทอย่างครั้งนี้ผมค่อยๆกวาดตาดูห้องของคุณมาลี ในห้องนั้นมีทุกๆอย่างที่เป็นของเก่าๆและมีค่าทั้งนั้นทั้งตู้โต๊ะเก้าอี้พร้อมทั้งเตียงระดับมุกเหมาะสมกับมหาเศรษฐีหรือเจ้านายพอเข้าถึงห้องนอนของเธอเฉพาะเตียงนอนเท่านั้นที่เป็นเตียงฝรั่งแบบทันสมัยทางด้านปลายเท้าเตียงนอนมีตู้เย็นของฝรัง่งเธอเปิดตู้หยิบกาแฟที่แช่เย็นให้ผมเพราะรู้ว่าชอบส่วนเธอดื่มน้ำอัดลมเราประสานตากันอย่างฉ่ำชื่น ฉันมีของรักประจําตัวของฉันอยู่หลายชิ้นและฉันก็จะให้เป็นรางวัลแก่เธอเธอพูดแต่ว่าของรักที่ฉันจะให้เธอเนี่ยมันมีของหนักทับอยู่ฉันจะต้องได้กําลังกับสมัยที่จะยกขึ้นและฉันถึงจะหยิบของนั้นได้เธอพูดแล้วก็ชี้ไปยังโตะ๊ะโต๊ะหนึ่งที่อยู่ด้านหัวนอนของเธอบนโต๊ะนั้นมีภาพแกะสลักไม้เป็นภาพเจ้าแม่อะไรทางจีนจีนเป็นตอไม้ใหญ่ที่มีค่ามาก เนื้อไม้มีลายในตัวและขัดมันไว้อย่างเงางามครั้นแล้วเธอก็บงการให้ผมช่วยยกภาพนั้นพร้อมกับเธอภาพไม้สลักนั้นก็หนักเอาการอยู่ผมรู้สึกว่าผมช่างมีกำลังเอาการแข็งแรงจนแปลกใจตัวเองเห็นจะเกิดจากต่อหน้าคุณมาลีนั่นเองถึงเก่งชากาดแบบนี้เรายกภาพนั้นไปวางที่โต๊ะเปล่าตัวหนึ่ง แล้วก็เดินกลับมาที่โต๊ะตัวเก่าก็พบว่าที่กลางโต๊ะนั้นมีหีบเล็กๆวางอยู่ซึ่งแต่เดิมภาพสลักนั้นได้ครอบทับปิดไว้คุณมาลีเปิดหีบนั้นขึ้นจึงเห็นว่าใบนั้นมีเครื่องเพชรหลายชิ้นทั้งมีแหวนเพชรอีกหลายวงฉันให้สมัยหนึ่งวงนะสวมดูทุกๆวงก็ได้วงไหนที่เหมาะกับนิ้วก็เอาไปเลยเธอพูดผมชะ ง, งักนิ่งมองดูของสิ่งนั้นผมไม่เคยคิดจะได้อะไระไรของเธอเลย ผมรักเธออยากได้แค่ตัวเธอเท่านั้นคุณมาลีผลักมือผมให้หยิบผมก็เลยจำใจหยิบแหวนทุกวงขึ้นมาลองสวมนิ้วและก็ได้วงหนึ่งที่เหมาะกับนิ้วเป็นแหวนเพชรที่เม็ดโตขนาดที่ผมเองในชีวิตไม่เคยแตะต้องมาก่อนเลยผมกับคุณมาลีได้ยกแม่พระของจีนยกทับเครื่องเพชรนั้นไว้อย่างเดิมแล้วก็มานั่งคุยกันผมชูนิ้วดูแหวนที่สวมอย่างตื่นเต้นคุณมาลีมองผมอย่างชื่นบานและเมตตา นั่นนะ่ะคือของรักของมาลีนะและมาลีขอมอบให้กับสมัยเธอพูดโอ้ยท่านที่รักของผมครับผมได้ยินคุณมาลีใช้เรียกชื่อตัวเองกับผมเป็นครั้งแรกภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่คนรักใช้กันโดยแท้ผมเกิดกล้าหาญถึงแก่ลุกแก่อํานาจมาจับมือของเธอมาจูบเอาดือด้อๆพอรู้ตัวว่าทาการอย่างรวดเร็วไปจึงรีบยกมือทั้งสองของเธอมาทาบไว้ที่หน้าอกและที่แก้มของผม เพื่อให้รู้ว่าผมไม่ได้รักเธออย่างธรรมดาผมมีความรักชนิดเคารพอยู่ด้วยเธอปล่อยให้ผมทำตามใจผมรู้สึกมีสุขที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้รักกับผู้หญิงที่สูงสักและฐานะดีกว่าผมซึ่งผมเคยฝันไว้ว่าถ้าได้รักกับเธอผมจะเอาหัวหนุนตักเธออย่างหนุนตักแม่เธอสวยแบบผู้ใหญ่ที่จับใจจับตามีทั้งสเสน่ห์และอานาจผมย่มใจ แต่ยังไม่กล้าจะกอดรัดเธอและจูบซ้ายจูบขวาอย่างหนุ่มอื่นผมเพียงแค่คุกเข่าลงและกอดขาเธอพร้อมกับเอาหัวซบที่ขาเธอวันนี้เธอกลับก่อนเธอสมัยวันหน้าของเรายังมีอีกเยอะเตรียมกลับเถอะนะเดี๋ยวใครจะรู้เข้าเธอเตือนขึ้นแม้ผมจะย่ามใจในรักแต่ก็ต้องเชื่อฟังเธอผมรักเธอและบูชาเธอเราต่างออกจากห้องด้วยความระมัดระวังสมัย แหวนนั้นเนี่ยสมัยเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวจะผิดตาคนวันที่เธอจะสวมแหวนนั้นเนี่ยอยู่วันข้างหน้าเธอกระซิบที่ข้างหูผมจนแนบชิดจนลมปากของเธอถูกผมกลิ่นตัวเธอหอมหวนยวนใจผมสูดหายใจเข้าเต็มปอดเธอพาผมกลับมาอีกทางแล้วมาลงบันไดเก่าพอมาถึงที่ปลอดภยัยเธอหยุดยืนและเหนียวไหลผมแล้วกอดผมจูบผมโอ้ยคุณครับ หัวใจผมแทบหยุดเต้นด้วยความตระนกตื่นเต้นไฟฟ้าวิ่งเข้าร่างกายของผมร่างกายวูบวาบแทบจะเผาผลาญให้หมอดไหมผมกอดและจูบตอบเธออย่างซาใจไปนอนหลับให้สบายเถนะที่รักมารีลาก่อนเธอพูดแล้วก็ผลักผมให้ห่างออกไปแล้วเธอรีบผละเดินหลบเข้าความมืดหายไปผมยืนนิ่งตัวชาใจเต้นอยู่เป็นครู่ จึงเดินกลับมาห้องของตัวเองด้วยความผาสุกเป็นล้นพ้นชูแหวนที่นิ้วขึ้นจูบแล้วก็กอดเก็บไว้เป็นอย่างดีตามที่เธอสั่งและล้มตัวนอนบนฟูกอย่างสําราญหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัววันแล้ววันเล่าผมมีความผาสุกใจทํางานอย่างขยันขันแข็งไม่มีอะไรตกค้างท่านผู้จัดการถึงกับเอ่ยปากชมว่าทํางานเก่งเกินคาดกลางคืนสอนดนตรีอย่างสมองโปร่ง เลิกแล้วก็แอบพบกับมาลีเล็กๆน้อยๆเสมอมาผมเองได้ทำตามคำขอร้องของเธอว่าอย่าเพิ่งด่วนได้จะอายแกวงญาาิเราจึงเพียงกอดๆจุบๆไปเท่านั้นคือหนึ่งเราพบกันที่เดิมเธอโอบกอดผมแล้วก็หายใจแรงอย่างตื่นเต้นสมัยคุณพ่อของมาลีอยากพบเธอเดี๋ยวนี้เธอกระซิบเสียงสัน่นผมตกใจตัวชาถ้าจะยุ่งซะแล้วกระมังคุณพ่อเธอคงรู้ความลับของเราซะแล้ว ก็ดีนะสมัยไปเถอที่รักถึงเวลาของเราแล้วเธอยังคงตื่นเต้นอยู่อีกในน้ำเสียงท่านรู้เรื่องของเราหระอครับผมถามอย่างตกใจและเขย่าแขนของเธอท่านรู้แล้วที่รักโอ้โหผมครางท่านโกรธมากหรือเปล่าครับมาลีสรรภาพกับท่านเองท่านตามใจมาลีและต้องการพบสมัยในเวลานี้แหละผมงงงันในความกลัวยังเหนือความดีใจผมต้องเข้าสู้หน้ากับนายห้าง ผมจะวางหน้าอย่างไรมนุษย์ที่มีแต่ตัวอย่างผมนี่นะหรือจะเป็นเขยในห้างจะพูดกับท่านว่าอย่างไรไปเถอที่รักมารีเตือนผมแล้วก็ดึงแขนผมให้ออกเดินผมเดินตามเธอไปอย่างใจคอไม่เป็นปกติเราเข้ามาในห้องโถงห้องหนึ่งตกแต่งอย่างฝรั่งปนจีนภายในห้องนั้นแสงไฟสลัวสลัวที่เก้าอี้จีนตัวหนึ่งในห้างนั่งอยู่ผมเดินเข้าไปอย่างงกงกเงื่อเวางท่าไม่ลง ว่าจะทำตัวอย่างไรก็เลยตัดสินใจอย่างง่ายๆคือคุกเข่าลงกับพื้นที่ตรงหน้าท่านแล้วก้มลงกราบท่านมองดูผมนิ่งอยู่มองดูเขยผู้มีแต่เสื้อกางเกงผู้จะเข้ามาเป็นเท่าแก่ให้กับตัวเองอะไรฉันรู้แล้วท่านเอ่ยปากออกมาก่อนฉันต้องการทำตามใจลูกสาวของฉันท่านพูดเสียงหนักคล้ายกับแดกดันคุณมาลีแต่ว่าสมัยต้องทาตามสัญญาของฉันสองสา ขอรับกระผมผมตอบแบบตะกุกตะกะักฉันตามใจลูกสาวของฉันแต่การจะได้จะเสียกันเฉยๆนั้นมันไม่ได้ฉันต้องตกต้องแต่งกันแบบเงียบๆในตึกนี้ไม่มีการแต่งกันอย่างออกหน้าออกตาพราะลูกของฉันก็แก่แล้วจะรู้กันเพียงวงญาติเท่านั้นและจะบอกใครเชิญใครข้างนอกตึกนี้เพื่อที่จะมาร่วมพิธีไม่ได้ข้อสัญญามีอยู่ว่า 1. ่แกจะเชิญใครมา 2. การนี้จงปิดเป็นความลับ 3. ามแกต้องรักลูกสาวของฉันอย่างซื่อสัตย์ไม่มีวันที่จะนอกใจลูกสาวของฉันแกจะทําตามนี้ได้หรือเปล่านายห้างได้ตวัดคําลงท้ายเป็นคําพ่คาดคั้นอย่างเด็ดขาดตายตัวได้ทุกประการขอรับกระผมผมรีบตอบรับคําดีละถ้าทําได้ก็ไม่มีอะไรขัดข้องแต่อย่าลืมว่าคําสัญญาเป็นคําสัญญานะถ้าแกไม่รักษาคําสัญญาแกต้องตายรู้ไหม จงจำใส่ใจไว้ท่านพูดเสียงกระด้างไม่เหมือนที่พูดกับผมเมื่อวันที่ใช้ให้ไปรับคุณจิตราและคุณสวัสด์กระผมจะรักษาสัญญาไว้จนตายขอรับผมพูดแล้วก้มลงกราบท่านเออไปได้ละอ๋อมาลีคอยเลิกที่จะตบแต่งก่อนนะจะมีการเลี้ยงกันภายในของเราจงรักษาตัวให้ดีอย่าผิดไปก่อนเลิกนะลูกรักท่านสั่ง เราออกมาพนห้องและรู้สึกโล่งหัวอกรู้สึกว่าการแต่งงานของผมกับคุณมาลีนั้นง่ายดีเกินคาดจะบอกใครไม่ได้แม้แต่คนที่นับถือเป็นการแต่งงานที่ประหลาดแต่ก็เหมาะใจที่สุดแล้วขอให้สมรักก็แล้วกันการเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพียงคำสัญญาเท่านั้นแทนเงินแทนทองและสมบัติสาหรับแต่งงานกับลูกสาวท่านเศรษฐีทั้งทีคุณพ่อมาลีเกี้ยวกราดกับสมัยมากไหม มาลีกระซิบถามผมอ๋อไม่เลยครับผมยอมทุกอย่างเพื่อมาลียอมเป็นทาสโดยทุกประการมาลีกอดจูบผมเป็นการตอบแทนในความอดทนของผมเราต่างพลอดรักกันเล็กน้อยตามเคยแล้วก็แยกทางกันเพราะถือคําสั่งในห้างเป็นสําคัญที่ว่าไม่ให้เราไปผิดกันก่อนวันแต่งงานผมนอนปลื้มใจอยู่คนเดียวในห้องไม่เคยเลยว่า อยู่ๆจะมีวาสนาได้แต่งงานกับมาลีได้ลูกสาวเศรษฐีทั้งคนไม่เสียอะไรเพียงสัญญาสองสข้อที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผมเกิดตื่นเต้นอีกขนาดใหญ่ที่ห้องอาหารเมื่อท่านผู้จัดการและคนทั้งหมดในที่นั้นท่านกล่าวแสดงความยินดีต่อผมที่จะได้แต่งงานกับมาลีเขาช่างรู้กันเร็วเหลือเกินยินดีมากเลยนะที่เราจะได้เป็นเครือญาติกันผู้จัดการพูด และทุกคนก็พูดแบบนั้นผมตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูกมนุษย์เรานี้มันช่างแปลกประหลาดอยู่ๆบทจะมีเกียรติขึ้นมาก็มีเอาดือด้อๆไม่รู้เนือ้อรู้ตัวคุณเรนูและคุณจิตรานั้นยินดีจนออกนอกหน้าวันแต่งงานของเราก็ได้มาถึงไม่มีพิธีอะไรมากนะักผมกับมาลีนั่งให้ในห้างผู้ที่เป็นพ่อตาของผมประสาทพรและวงญาตก็รถตามหมดทุกคน เวลาเลี้ยงอาหารได้มีดนตรีวงของเราขับกล่อมกันเองพอส่งตัวกันตามระเบียบและผมกับมารีก็เป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์ผมมีความสุขจนลืมทุกสิ่งในโลกคุณสุรินทร์ได้กล่าวต่อหน้าวงญาติเป็นรายงานว่าเป็นคำสั่งในห้างให้จัดเอานายสมัยและนายสวัสด์เข้าเป็นหุ้นส่วนของโรงงานมีส่วนแบ่งในรายได้ของโรงงานนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ในเย็นวันหนึ่งผมก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าคุณนพที่วัดระฆังรายงานถึงฐานะของผมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปต่อท่านท่านนั่งฟังอย่างสงบอย่างสงศ์ทั้งไม่ออกความเห็นใดๆและดูท่านไม่ตื่นเต้นด้วยกับผมเห็นจะเกิดจากท่านถือตัวว่าท่านเป็นสง์ไม่ยินดียินร้ายอะไรในเรื่องรักเรื่องใคร่ของผมที่ได้รับโชคดีอย่างมหาศาลท่านพูดเพียงว่าโชคดีมากที่ได้แบ่งเงินหุ้นส่วนเท่านั้น สมัยต้องอดทนแล้วก็กล้าหารต่อการงานจงดีเถิดท่านว่าจงถือเอาว่าคุณสุรินทร์เป็นแบบอย่างที่มีโชคดีสะสมเงินให้เป็นฐานะแก่ตัวเงินทุกบาทจงเข้าแบงค์ไว้จงดีเพื่อตัวเองท่านพูดแต่เรื่องโชคทางเงินส่วนเรื่องความรักนั้นท่านไม่พูดถึงเลยความจริงท่านก็ยังไม่ใช่คนแก่คนเท่าอะไรแต่ทําไมพูดแต่เรื่องฐานะเงินทองเรื่องรักน่าจะเอออวยบ้างไม่อยากจะเอาบ้างเลย สำหรับผมนั้นเงินไม่สำคัญเท่าความรักความรักนั่นคือสวรรค์ของผมเลยเรื่องเงินเรื่องทองน่ะไม่สำคัญสำหรับผมเท่าไหร่หรอกครับเท่าที่ได้มาก็รู้สึกว่าได้มาจากความรักแท้ๆผมได้เท่าไหร่ผมจะประเคนให้กับมารีจนหมดสิน้นคุณนบได้ยินสิ่งที่ผมพูดก็ได้แต่ยิ้มผมจะทำเพื่อตอบแทนน้ำใจเธอเพราะแก้วแหวนเงินทองของเธอเธอมอบให้ผมทั้งหมดถ้าส่วนไหนผมได้และผมเก็บหมด ก็ดูจะเข็มไปนะครับผมคล้ายๆกับว่าเป็นสามีของเธอโดยตั้งใจปลอกลอกเธอคุณนบฟังแล้วก็หัวเราะนิดหน่อยพร้อมกับถอนหายใจหนักๆคล้ายกับปรงอนิจจังในความรักของคนหนุ่มๆเธอนี่เป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะแต่ยังทำอะไรไม่ถูกต้องในเวลานี้ไม่มีใครจะเก็บเงินไว้ที่บ้านกันเลยท่านว่าแต่บ้านเราเนี่ยแข็งแรงนะครับสามารถเก็บเงินได้ถ้าหาเซฟมาใส่เนี่ย ผมแยง้งไม่มีใครทําอย่างนั้นกันหรอกเงินพ2 0 0 0พนเนี่ยเขาสามารถเก็บไว้กับตัวได้ไม่มีใครเก็บไว้มากๆท่านอธิบายต่อแล้วก็ประการใหญ่เลยนะคุณมาลีของสมัยก็ไม่ชอบเก็บเงินเก็บทองเช่นเดียวกับสมัยนั่นแหละไม่เชื่อก็กลับบ้านไปสมัยลองพูดเรื่องเงินกับเธอดูสิเธอไม่รับรู้เรื่องเงินของสมัยแน่ๆท่านหยุดพูดแค่นี้คล้ายกับจะคิดอะไรก่อนครั้นแล้วก็พูดต่อไป เธอมีเงินมาก่อนมีจนเอือมเรื่องเงินเพราะเธอเป็นแม่ไ ม, ม้ที่มั่งคั่งมาแล้วผมเบิกตาโพลงเมื่อได้ยินท่านพูดว่ามาลีของผมเป็นแม่ไ ม, ม้ท่านคงเดาเอาเ อ, าเองเพราะว่าเห็นมาลีแก่กว่าผมผมออกไม่พอใจและโกรธถ้ามาลีเป็นแม่ไม้ผมอยู่ที่นั่นทำไมผมจะไม่รู้ทำไมท่านว่าเมียผมเป็นไม้ล่ะครับผมถามอย่างโกรธฉันรู้จักคุณมาลีดี เพื่อนของฉันเนี่ยชอบกันกับคุณมาลีมากและรู้จักคนในตึกนั้นดีทุกคนด้วยคำตอบของท่านทำให้ผมต้องชะงักไม่มีอะไรจะคัดค้านท่านเพราะผมเองแม้แต่จะอยู่ในตึกนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเท่าที่เห็นเห็นด้วยตาจัดว่าใหม่ต่อตระกูลนั้นไม่เคยจะรู้ประวัติของเขาเลยอย่าเสียใจเลยการได้เมียเป็นแม่ไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนักนะท่านพูดเมื่อเห็นผมมีสีหน้าจอย แล้วท่านก็พูดต่ออีกว่ารักแท้น่ะย่อมไม่คำนึงถึงอะไรเธอรักคุณมาลีตั้งหากไม่ใช่รักคำว่ามีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มาแต่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะมากีดขวางความรักได้หรอเมื่อเธอพร่มว่ารักมาลีด้วยบริสุทธิ์ใจทำไมจะเอาเรื่องสาวแท้ไม่แท้มาทำลายใจซะเล่าผมลงกราบท่านด้วยความตันใจความจริง ผมก็มีใจอย่างที่ท่านว่าผมรักคุณมาลีเป็นหลักเหนือสิ่งอื่นใดหากแต่ว่าพอรู้ตัวว่าเป็นชายคนหลั ง, งคุณมาลีที่เคยหวามใจมาก่อนก็เกิดใจฝ่อไปได้ชั่วขณะพูดกันที่แท้จริงแล้วผมได้คุณมาลีนี้ก็เท่ากับได้แก้วถ้าผมไปได้กับสาวอื่นก็คงเอาฐานะอย่างเธอไม่ได้เพราะขนาดชะตาของผมคือมนุษย์ที่มีแต่ร่างกายนึกละอายใจที่เอาแต่อารมณ์ ราชรถมาเกยแล้วกลับจะคิดว่าราชรถนั้นเก่าไปเคยมีคนทรงมาแล้วมีวันใดก็วันหนึ่งคุณมาลีจะบอกกับสมัยเองนั่นแหละว่าเธอคือแม่ไม้ที่แสนสวยอ๋อและอย่าลืมคําพูดเรื่องเงินกับเธอด้วยละ่ะว่าเธอจะยินดีรักษาเงินของเธอไหมท่านพูดเป็นการทํานายผมไกลๆผมลงกราบและลาท่านกลับมาบ้านทันเวลาอาหารพอดี เดี๋ยวนี้มาลีต้องลงมาร่วมวงอาหารร่วมกับคุณเรนูเช่นเดียวกันกับคุณจิตราและคุณสวัสด์เราพูดคุยกันสนุกสนานนักเพราะมากคนด้วยกันพอมีเรื่องอ ะ, อะไรแปลกๆก็มาคุยกันคุณสวัสด์เดี๋ยวนี้สนุกสนานสําราญไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อเสร็จอาหารแล้วต่างก็แยกกันไปห้องพักของตนรอเวลาจะมาเล่นดนตรีกันอีกเดี๋ยวนี้ผมก็กลายเป็นคนชั้นบนไปแล้วเมื่อเราสองคนเข้าห้องของเราแล้ว ผมสูบบุหรี่และนั่งเล่นมารีมองผมอย่างหลบตาคล้ายๆกลัวผิดอะไรฉะนั้นแต่ประเดี๋ยวเดียวเธอก็พูดขึ้นเ ล, ลอยมาลีคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะมีใครบอกอะไรอะไรเรื่องของมารีให้สมัยฟังผมมองหน้าเธออย่างสงสัยแต่แล้วกลับตกใจเพราะความจรงิงมีคนบอกเรื่องของเธอกับผมมาแล้วหยกหยกเมื่อตอนเย็นนี้เองแต่ผมยังเฉยอ ย, อยู่ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ลุกจากเก้าอี้ไปยืนโอบไหล่เธอไว้ มาลีคิดไว้ว่าจะบอกอะไรกับสมัยในวันหนึ่งแต่วันนี้ก็เหมาะดีแล้วที่จะบอกอะไรๆกับสมัยซะเลยดีกว่าให้สมัยรู้เข้าเองจะเกิดกลียดมาลีเธอพูดเบาๆให้พอได้ยินผมโอบไหล่เธออยู่คอยก้มหน้าฟังว่าเธอจะพูดอะไรออกมาแม้แต่จะทายออกว่าเธอจะพูดอะไรก็ยังอยากฟังโดยตั้งใจถ้าเธอพูดว่าเธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ผมก็ไม่ตกใจมั่นในความรักอย่างพอเพียงซะแล้ว สมัยจ๋ามารีไม่ใช่สาวๆนะเธอพูดออกมาด้วยกิริยาก้มๆไม่กล้าสบตามารีเคยแต่งงานมาแล้วก็เป็นไม้มาหลายปีแล้วเธอจบคำผมหัวเราะแล้วรีบกอดเธอจูบเธอเป็นประกันในความรักความรักของสมัยที่มีต่อมาลีเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะอะไรๆก็ช่างปะไรสมัยเธอช่างแสนดีเหลือเกินเธอรักมาลีเหลือเกิน มาลีขอบคุณหัวใจเธอนะว่าแล้วเธอก็ไหว้ที่อกผมสมัยไม่รังเกียจมาลีหรอคะเธอกระซิบถามอ๋อไม่เลยแต่ยังสงสัยว่าชายคนนั้นเนีจะเป็นสุดรักสุดนิยมของมาลียิ่งกว่าผมหรือเปล่าถ้าเขาดีกว่าสําคัญกว่าสมัยก็อิจฉาเขาบ้างเท่านั้นเองแต่แค่มาลีกรุณารักสมัยอยู่เวลานี้สมัยก็มีความสุขแล้วละ่ะแล้วก็เห็นว่าพอกับโชคชะตาของสมัยแล้ว เธอฟังผมพูดแล้วสั่นหัวเล็กน้อยจะเป็นปฏิเสธว่าสามีเก่าของเธอไม่ดีกว่าผมหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจเธอลุกขึ้นจูงมือผมไปที่หีบใบหนึ่งที่ปิดไว้ซึ่งนับแ ต, แต่แต่งงานกันมาผมไม่เคยละลาบละล้วงหยิบจับของอะไรของเธอเลยเธอเปิดฝาหีบออกเธอดึงแขนให้ผมดูในหีบผมก้มดูภาพของใครคนหนึ่งใส่กรอบอยู่แต่ปลดเก็บไว้ในหีบมาลีตั้งใจจะเอาภาพนี้ ไปฝากคุณพ่อไว้แต่ยังไม่ทันได้เอาไปเธอว่าแล้วก็หยิบเอาภาพนั้นขึ้นมาเป็นภาพของชายแก่แกหนวดยาวคราวยาวเห็นชัดว่าเป็นชายจีนผู้เฒ่านี่แหละเขาหละเธอว่าคนเก่าของมาลีก็ดูเอาสิว่าจะแข่งกับสมัยได้ไหมมาลีต้องแต่งงานกับคนคราวพ่อก็เพราะว่าคุณพ่อของมาลีเนี่ยเห็นแก่ฐานะเป็นสิ่งสาคัญ เราแต่งงานอยู่กินกันไม่กี่เดือนเขาก็ล้มเจ็บแล้วก็ตายไปด้วยโรคชราเห็นหรือยังล่ะว่าเขาสําคัญกว่าสมัยหรือเปล่าเธอพูดแล้วก็ปิดหีบดังกล่าวใจผมมาซักกระดูกนึงที่เห็นคู่แข่งเป็นอิตาเจกแก่จะมาทานอะไรกับผมล่ะนึกแล้วสงสารมาลีจับใจนับว่าชีวิตเธออับเฉาในเรื่องความรักเอาการคนสาวๆแล้วก็สวยๆต้องมาแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อ เพราะหวังฐานะร่ำรวยซ้ำเมื่อเป็นไม้แล้วยังต้องเก็บตัวอับเฉาอยู่ในตึกบังเอิญมาเจอเอัเทพผบุตรไสแห้งเข้าอย่างผมผมทั้งสงสารมาลีแล้วก็รักขึ้นอีกอย่างมากผมจูงมือเธอมาที่เตียงค่อยๆจูบเธออย่างทะนุถนอมและดูดดื่มยิ่งนักอ น, นิจจาช่างทารุนอะไรอย่างนั้นคุณพ่อของเธอคลั่งฐานะบังคับลูกสาวที่สวยหยาดเยิมให้กับคนแก่ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคทางใจแล้วความสุขก็มีล้นเปี่ยมส่วนแบ่งรายได้ของโรงงานคุณสุรินทร์เป็นผู้รักษาความสัตย์และรักษาคำสั่งของนายห้างนักจัดแบ่งให้ผมและคุณสวัสด์เป็นอย่างดีมีลดหลั่นกันตามฐานะการงานที่ชัดเจนและสำคัญในกิจการผมได้นำเงินทั้งหมดเสนอแก่มาลีครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้เธอกลับหัวเราะและไม่ยินดียินร้ายกับเงินนั้น ผมรู้สึกว่าจริงอย่างที่คุณนบท่านพูดไว้ทุกประการอ๋อมาลีจะเอาเงินมาทําไมล่ะคะมาลีต้องการแค่ตัวสมัยเท่านั้นอะไรๆมาลีก็มีครบทุกอย่างแล้วมาลีไม่ต้องการเงินเหล่านี้หรอกคะ่ะสมัยเอาไปฝากธนาคารไว้ตามระเบียบในนามของสมัยเองเถอะเธอพูดแล้วก็ผลักเงินทั้งหมดให้กับผมเก็บไว้เพื่อที่จะรอเอาไปเข้าแบงค์ผมรู้สึกเคารพท่านภิกษุนบเหลือเกินที่ทายอะไรๆล่วงหน้ารู้หมด ซึ่งผมยังไม่เชื่อในตอนแรกรุ่งขึ้นตอนกลางวันผมกับคุณสวัสด์ก็ออกไปหาอะไรรับประทานกลางวันนอกตึกเมื่อเจอร้านอาหารที่ถูกใจแล้วผมกับคุณสวัสดิ์ก็เข้าไปรับประทานพรุ่งนี้ผมจะเอาเงินไปเข้าแบงค์คุณสวัสด์พูดเมียผมเข้าใจดียกเงินให้ผมทั้งหมดเลยเขาไม่เกี่ยวข้องผมฟังแล้วก็งงงนินเอ้ผู้หญิงบ้านนี้ไม่ชอบเงินเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่า อ, อของผมก็เช่นกันครับผมคุยบ้าง แล้วต่างก็แปลกใจพร้อมกับหัวเราะกันเกิดเป็นชายที่ฐานะอย่างเราไม่เห็นแก่เงินก็คล้ายกับเห็นแก่เงินนะคุณสวัสด์พูดโถ่คุณสมัยยังไม่รู้ชีวิตของผมพ่อผมเนี่ยล้มละลายผมก็เลยต้องมาพึ่งพาเมียดูเถอะคล้ายกับรักเงินไม่ใช่รักเมียเขาพูดแล้วก็หัวเราะให้ดูเป็นสนุกผมมองดูเขาด้วยความเห็นใจตัวของคุณสวัสด์เองแล้วก็ตัวของผมมันก็คล้ายคล้ยกัน มีอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเองก็ต้องรักเมียแล้วก็กระตันอยู่ในเมียซะแล้วสินะเขาหัวเราะอย่างคลื้นเครงตอนแรกคิดจะหนีนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่เอาละเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมหนีแล้วล่ะเพราะเขาให้ความสุขเราได้ขนาดนี้ลูกเขยในตระกูลนี้พูดอะไรแปลกๆฟังกันเผลิๆก็เห็นว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์แล้วก็รักเมียเขาเหมือนอย่างผมรักมาลี ถ้าไม่คิดว่าเขาเป็นเขยก่อนผมจะพูดกระทบให้รู้สึกตัวที่ทำใจไม่น่ารักเดี๋ยวนี้คิดจะหนีอีกเป็นไงผมอดกระเซเอาไม่ได้เขาหัวเราะอย่างชอบใจตอนนั้นผมกลุ้มใจงจริงครับที่คิดจะหนีเมียก็เพราะว่าว้าเหวเหลือเกินเขาพูดแก้ไปตามเรื่องของเขาแต่ก็แปลกหูอีกนั่นแหละอยู่กับเมียแล้วก็ญาติข้างเมียเยอะแยะยังพูดว่าว้าเหวจริงอยู่การมาอยู่กับเมียแต่ว่าห่างพ่อห่างแม่ ก็ทำให้ว้าเหวได้เหมือนกันแต่ว่าเราลูกผู้ชายเนี่ยจําเป็นจะต้องมีขึ้นก็ต้องอดทนพ่อล้มละลายแล้วยังจะไปเกาะกินอยู่อย่างไรเล่าแต่ถ้าสงสารพ่อตอนนี้ก็พอจะมีจะส่งไปให้ใช้จ่ายได้บ้างแล้วคุณสวัสดิ์นี่อยู่กับเมียสวยๆยังจะว้าเหวอีกแล้วครับผมถามคุณสวัสด์ด้วยเพราะความสงสัยคุณสมัยคุณยังไม่รู้เรื่องของผมอีกเยอะ เขาพูดแล้วก็ยกมือข้างหนึ่งชูนิดหน่อยคล้ายกับหมอาศาสนากําลังจะกล่าวคําสอนคุณสมัยครับผมเนี่ยมันเป็นชายที่จนหนทางพ่อผมทําการค้าใหญ่ที่นครสวรรค์ผมเรียนหนังสือสําเร็จแล้วก็ช่วยบิดาทําการค้ากิจการก็ยังไม่สู้จะดีนักผมก็พบกับคุณจิตราและเราก็รักกันแต่ว่าคุณจิตราเนี่ยกําพ้าบิดามารดามีที่พึ่งอยู่ก็คือนายห้างที่นี่แหละครับและนายห้างก็จัดงานแต่งงานให้ แต่ให้ญาติอีกคนเป็นผู้จัดการให้ในายห้างเนี่ยเป็นเพียงคนออกเงินออกทองในงานของเราผมก็ช่วยบิดาทํางานแต่ว่าไม่ค่อยถนัดนักส่วนคุณจิตราเนี่ยไม่เอาเลยขอรับหน้าที่แม่บ้านครุบอยู่กับบ้านไม่ยอมพบปะสมาคมกับใครเลยมีนิสัยเดียวกันกับคนที่ตึกนี้แหละให้ตายสิบิดาผมชักบ่นบนแล้วก็ขอร้องให้เธอเนี่ยออกมาพบคนสับ้างแต่เธอก็ไม่เอาหนักๆเข้าบิดาผมชักไม่พอใจ ผมเองก็เลยไม่ค่อยจะสบายใจด้วยเลยก็เลยคิดจะเช่าบ้านอยู่เป็นพิเศษเพียงแค่สองคนผัวเมียต่อมาการค้าของเรานี่มันเลวลงถูกพ่อค้าด้วยกันหักหลังบ้างก็เลยขาดทุนขนาดล้มละลายเลยนะครับเขาหยุดพูดหน่อยนึงคล้ายกับจะสลดใจในชีวิตของเขาแล้วก็พูดต่อห้างของผมถูกยึดบ้านก็ถูกยึดก็เลยต้องเฮมารวมกันกับผมที่บ้านเช่าเอาเละสิยุ่งพี่ลึก เมียผมก็ไม่ชอบคนมากและบ้านขับแคบวุ่นพิลึกแต่ว่ามันก็วุ่นจริงๆคุณสมัยครับผมไม่มีงานทําพ่อก็ล้มละลายญาติญาติก็พอส่งเสียให้ใช้บ้างและผมสองผัวเมียจะอยู่แทะกระดูกพ่อแม่อยู่อีกหรือครับถึงได้จอนมาที่นี่แหละคุณคุณรู้ไหมว่าทําไมเมียผมไม่ชอบคนมากๆก็เพราะว่าเขาหยุดแค่นี้ดูเหมือนว่าจะคิดได้ว่าไม่ควรจะพูดอะไรอีก ครั้นพูดต่อก็กลับเป็นพูดเรื่องอื่นไม่ใช่ต่อเรื่องเก่าเอาเถอะครับผมไม่พูดอะไรอีกแล้วครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็คงจะรู้เองแหละว่าเรา3มคนเนี่ยก็คือผมคุณสมัยแล้วก็คุณสุรินทร์กาลังมีชีวิตอยู่ที่ไหนในเวลานี้เดี๋ยวค่อยดูไปเถอะครับถ้าคุณรู้เข้าวันไหนเนี่ยโดดโยงเลยทีเดียวคุณเขาหยุดพูดทิ้งความไว้แค่นั้นผมชักจะโกรธหน่อยที่เขาชอบพูดอะไรขยักขยกไม่เต็มเรื่อยๆ นี่ดีนะไม่ใช่สังคมเป็นเพียงตัวต่อตัวเท่านั้นถ้าในสังคมเขาจะพากันตำหนินักเรื่องอะไรถ้าไม่พูดก็อย่าพูดเลยไอ้พูดแล้วขยักไว้สังคมถือนักแต่สำหรับผมไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปคาดคันให้เขาพูดอะไรให้จบเรื่องเมื่อไม่พอใจก็นิ่งไปซะเป็นอันว่าการคุยของเราก็จบลงรับประทานอะไรเสร็จแล้วก็กลับเข้าทางานผมยังติดใจคาพูดของเขาตอนท้ายที่ว่าถ้าสมัยรู้ ว่ากำลังมีชีวิตอย่างไรและอยู่ที่ไหนถ้าคุณรู้เมื่อไหร่จะโดดโยงไปเลยมันอะไรกันละ่ะพูดจาแป่งฟังดูพิลึกหูอย่างไรก็ไม่รู้ทำไมทาให้ผมคิดไปต่างๆนาาการที่เราอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็ทำงานที่นี่มันเป็นอย่างไรกันทุยหนุ่มที่เป็นลูกคนล้มละลายเนี่ยพูดจาเอาหลักอะไรไม่ได้แกสับสนอย่างนี้นี่เล่าจะไปช่วยให้พ่อทาการค้าได้อย่างไรถึงได้ล้มคลืนไป